พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกไปทางอื่นเวลานี้หมายความว่าเป็นเวลาที่สงบสงัด อากาศก็ไม่หนาวไม่ร้อนพอดีลิ้นยุงก็ไม่มีนับว่าเป็นโอกาสที่เราจะต้องทำความเพียรทางจิตใจได้เต็มที่บุคคลที่ทำดีไม่ได้มันก็เนื่องมาแต่มันฝึกใจตัวเองไม่ได้นี่แหละ ไม่ใทรอื่นไกลอะไรตกเป็นาทาตแห่งตัณหาตัณหาพาพกพฤชนอกรีดนอก้อยไม่สามารถจะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะความประมาทความเลินเล่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปไม่อยู่กับตัว นี่ทานเดีย ว, วความประมาทปาโาโดมัจจุโนโปะดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปะมัตตาะมียันติบุคคลไม่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตาย คนประมาทเมื่อขามาตายจากคุณงามความดีไม่ใช่ตายหมดลมหายใจไม่สามารถจะทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญขึ้นในตนของตนได้เท่ากับว่าเหมือนกับคนตายแล้วพระศาสดาทรงเปรียบไว้นะเพราะว่าชีวิตนี้มันจะมีความสุขความเจริญได้ ก็อาศัยการทำความดีเท่านั้นการชำระสิ่งที่ชั่วออกจากตัวให้ได้ให้เหลือแต่สิ่งที่ดีนั้นแหละถึงจะมีความสุขความเจริญได้ดังนั้นผู้ใดมัวเมาเล่นเล่เผอตัวไปในตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้ว ก็ไม่มีเวลาที่จะได้ามความดีไม่ไม่มีเวลาที่จะมาทาความสงบใจได้ใจนั่นถูกกิเลสตัณหามันผูกมัดลัดลึงไปตัณหามันบังคับให้ทำอย่างไรก็ทำตามมันนี่จึงเสมือนอย่างว่าคนตายแล้วเพราะคนตายแล้วไม่มีอิสระอะไรเลย ใครจะเอาไปเผาไปฝังที่ไหนก็ไม่ว่าอะไรคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาก็เป็นเช่นนั้นแหละทำดีไม่ได้ทำอะไรทำความดีอะไรก็ไม่ได้ืมมักจะแฉะไปทำแต่ของชั่วพระพุทธเจ้าชึงตรัสว่า ถึงจะมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วกลงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังตนอยู่เสมอข้อวัดปฏิบัติมีอย่างไรก็พยายามปฏิบัติดำเนินข้อวัดปฏิบัตินั้นไปให้สม่ำเสมอ ไม่ละเลยต่อข้อวัดปฏิบัติสามารถรักษากุศลคุณงามความดีที่ตนสั่งสมอบรมมาไว้ได้ไม่เสื่อมอันนี้ท่านว่าถึงแม้ว่าผู้นั้นจะมีอายุอยู่เพียงวันเดียวแล้วตายก็ยังดีกว่าผู้มี อายุอยู่ตั้งร้อยปีแต่แล้วไม่มีคุณงามความดีติดตัวคนที่มีอายุอยู่วันเดียวยังประเสริฐกว่าเอกาหั่งชีวิตาเสยโยแม้จะมีอายุอยู่วันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าผู้มีอายุตั้งร้อยปี แล้วไม่ได้ทำความดีอะไรใส่ตัวนี่ต้องพิจารณาดูมันจะจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้การทำความดีนี่มันก็ต้องมีระเบียบแบบแผนนะไม่ใช่ว่า ส, ป, ป, ส ป, ปะไปทั่วก็เป็นความดีได้มันมีระเบียบเลย ไม่เช่นนั้นก็ไม่ไม่ชื่อว่าความดีขึ้นชื่อว่าดีแล้วนี่มันต้องมีระเบียบทั้งนั้นอย่าว่าแต่ในทางธรรมแม่ในทางโลกสร้างบ้านสร้างเรือนมูนีมันก็ต้องมีแบบมีแพลนไม่มีแบบมีแปลนสร้างไว้แล้วก็เป็นหลังบ้านเรือนไม่ได้เลยอืมเพราะว่ามันจะไป ทำอะไรจะเอาไปเอาไม้ไปเข้ากันไปตีใส่กันไปขาาโครงต่างๆนี้ถ้าไม่มีแบบแปลนล้วทำไม่ได้เลยถึงเดาวทำไปก็ไม่ไม่ถาวรนะอันนี้ลองคิดดูตั้งแต่เขาทำนาไถนามันก็ยังมีระเบียบ ควายที่ฝึกไถนาเมื่อมันเป็นแล้วอ่ะมันก็เดินตามคลองไถมันไม่เดินออกนอกคลองไถเพราะฉะนั้นการไถนามันก็จึงเป็นระเบียบเรียบร้อยออเราคิดดูสิในโลกวะเนี้ททำอะไรมีระเบียบทั้งนั้นนะถ้าถ้าค ว, วายนะ มันเดินออกคลองไถไปแล้วไถมันก็ดันดินนั่นไปทั่วเลยอ่ะไม่เป็นสันเป็นดอนอยู่เลยอ่ะนะนั่นนะอะจะจะฟื้นหน้าดินขึ้นเสมอกันไม่ได้นี่ัรงนั้นเขาจึงต้องฝึกควายให้มันเดินตามร่องตามรอยไปไถมันจึงฟื้นหน้าดินขึ้นได้หมด คลาดปลูกข้าวลงไปมันก็งามสม่ำเสมอกันพบปรับดินให้ดีเราคิดดูสิโลก น, นี้ทำอะไรต้องมีแบบมีแปลนมีแผนผังทั้งนั้นเลยกลัวว่ามันจะดีอยู่ได้นี่นะอพออาศัยได้อยู่นี่แล้วคนเราล่ะจะดีได้นะมันก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแสดงไว้ทรงวางไว้มันต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์เรานะ่ะมันจะมีความสุขความเจริญจะพน้นทุกข์พ้นภัยในสงสารได้กระลำพังความรู้ความเห็นของตัวเองมันแทรกอยู่ด้วยอวิชชาตันหานะ่ะ มันรู้จริงไม่ได้เลยมีแต่รู้ไม่จริงและ ว, วันนี้บุคคลใดไปทําตามความคิดความเห็นของตนมันก็เหลวไหลแล้ววันนี้เพราะความคิดมันผิดอ่ะความเห็นมันผิดไปจากศีลจากธรรมอันดีงามนี่นี่เนี่ยมันมันกบเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยผู้นั้นนะ มันต้องคิดต้องพิจารณาคนเราเกิดมาในโลกแล้วนะบุญตกแต่งให้มาดีๆแล้วก็เคยพูดให้ฟังอยู่นี่ใช่ได้มาแบบว่าไม่ต้องมีบุญกุศลอะไรตกแต่งร่างกายนี่มันก็เกิดมาได้พระพุเทธเจ้าทรง ต, ตรัสรู้แจ้งแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะ่ะ ผู้ใดทำกรรมอันใดก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอันนี้มันไม่มีผิดแล้วนับว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่เราเป็นภิกษุสามเณรมาบวชอยู่ด้วยกันนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงวางระเบียบให้ปฏิบัติเท่าเท่าเทียมกันสม่ำเสมอกัน ออืเช่นว่าฉันหนเดียวเนี่ยก็ฉันหนเดียวเหมือนกันจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างนี้แหละถ้าไปฉันสองหนสามหนไปแล้วอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยอืเพราะมันมันไม่ถูกต้องเลยเมือมม่อมันไม่ถูกตามระเบียบแล้วมันก็ไม่ถูกใจคนเหมือนกันแหละเป็นผู้มีศีลเสมอกันออื ในอปริหาริยธรรมน่ <c oughs> ไม่ไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นลองฟังดูสิธรรมะก็ดีเ <c oughs> มื่อความประพฤติมันไม่เสมอกันแล้วมันก็เป็นที่รังเกียจของกันและกันก็สามัคคีกันไม่ได้ไม่ว่าแต่ ชาววัดแหละชาวบ้านก็เหมือนกันในครอบครัวหนึ่งหนึ่งถ้ามีความคิดความเห็นไม่ตรงกันแล้วมันย่อมแตกสามัคคีกันวันหนึ่งให้ได้มันจะปรองรองกันอยู่ไปไม่ได้เลยเมื่อเคยมีอยู่ในครอบครัวตัวเรืนเอนอ่าผัวชอบดื่มเหล้าเมียไม่ชอบ เอ้ผัวไปดื่มเหล้ามามาแล้วมาผานทะเลาะกับเมียทุบตีเมียตีลูกโดยใช่เหตุหมายความว่าไม่มีเหตุที่ควรจะทุบจะตีก็ไปตีกันเพราะความเมาในที่สุดผัวเมียคู่นั้นก็ต้องอย่าร่างกันไปร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปไม่ได้บ้านแตกสาแลขาด อ้ลูกก็เลยเป็นกาพร้ากาพอยไปหาที่พึ่งไม่ได้นั่นมูนี่ลองพิจารณาให้กว้างขวางออกไปสิทำไมยังไปความคิดความเห็นไปแคบเอาเลือเกินนี่คนเราอะครอบครัวใดที่อยู่กันได้โดยสันติสุขโรองดองกันด้วยดี ไม่ทะาละวิวาทกันก็เพราะครอบครัวนั้นมีความเห็นตรงกันถ้าชั่วก็ชั่วด้วยกันดีก็ดีด้วยกันจึงรวมกันอยู่ได้ถ้าผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านมีความเห็นผิดไปเอาลูกหลานผู้เกิดมาในภายหลังก็เห็นไปตาม ไม่คัดค้านกันไม่ขัดขวากขขงกันหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้น ะ, อะชอบดื่มเหล้าพ่อบ้านชอบดื่มเหล้าแม่บ้านก็ชอบดื่มเหมือนกันถึงก็เลยอยู่กันได้ก็ไปได้มไม่ไม่ใช่เฉพาะถือเอาแต่ความดี การทำดีเป็นระเบียบนะการทำชั่วงเคมันก็เป็นระเบียบของเขาเหมือนกันเอืมเมื่อรวมหัวกันทำชั่วแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้อืมอันนี้ชั้นใดการทำความดีเมื่อเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำเป็นระเบียบเดียวกัน เทนีมันก็อยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขไม่ขัดข้องซึ่งกันและกัน <c oughs> อนั้นโลกอันนี้เนะี่ยมันมีระเบียบอย่างนี้แหละนมนุษย์ที่ถึงซึ่งความเสื่อมอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ทําตามระเบียบอันดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแต่งตั้งบัญญัติไว้ พากันพี่นะให้มันเห็นมีระเบียบหมดทั้งผู้ครองเลือนทั้งผู้ครองวัดพระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้หมดเลยอืระเบียบเกี่ยวกันกับสามีกับภรรยาประพฤติต่อกันและกันระเบียบเกี่ยวกับมารดาบิดาปฏิบัติต่อบุตรธิดา ระเบียบเกี่ยวกับบุตรธิดาจะพึ่งปฏิบัติตอบสนองมารดาบิดาอระเบียบเกี่ยวกับครัวาอาจารย์ปฏิบัติต่อลูกศิษย์ลูกหาอระเบียบเกี่ยวแก่ลูกศิษย์ลูกหาจะต้องปฏิบัติตอบสนองครัวาอาจารย์โมนี้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หมดแล้วอ ผู้ใดได้ดูตำหรับตำราได้ร่ำได้เรียนนี่ต้องรู้ได้ต้องเข้าใจอย่าผู้ใดไม่ได้เรียนไม่ได้ดูตำหรับตำราจะเป็นคารืหัดก็าตามเป็นนักบวชกว็าตามก็ไม่รู้ไม่รู้ระเบียบอย่างนี้บางคนก็เรียนรู้และจาได้แล้วแต่ว่าประมาทไม่ทำตาม อย่างนี้มีอยู่ทมไปรู้แล้วขืนทำลงนี่เป็นโทษหนักเพราะฉะนั้นพึ่งสังวรระวังเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อนับถือแล้วไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระองค์ก็เป็นบาปสิจะว่ายังไงล่ะก็นับถือนี่ เหมือนอย่างบุคคลผู้เป็นลูกของพ่อของแม่อย่างนี้แหละพ่อแม่มีพระคุณเลี้ยงดูมาแสนทุกข์แสนยากลูกไม่รู้จักคุณของพ่อของแม่ไม่เคารพนับถือแสดงคิริยากายว า, าใจกระด้างกระเดืองต่อดาแช่งมารดาบิดาทุบตีมารดาบิดาเนี่ยเป็นบาปแล้ว พ่อท่ายังเป็นบาปเป็นบาปเพราะว่าท่านมีคุณโนปการะต่อลกูกเหลือที่จะพันน า, นาได้อุปการะเลี้ยงลูกมาตั้งแต่อยู่ในท้องนูง่นจนคลอดออกมาแล้วเลี้ยงมาจนใหญ่โตขึ้นมานั่นละลูกประมาทพ่อแม่จึงว่าเป็นบาปหลายนะลูกศิษย์ประมาทอุปชาอาจารย์ก็เหมือนกันนะ อุปชาอาจารย์ได้อุปการะเกือ้อกูลอะไรต่ออะไรทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของรังทั้งที่เป็นสงเคราะห์โดยธรรมโดวยวินัยเน้นนำสั่งสอนให้รู้จักทางผิดทางถูกจนได้บวชได้เรียนในพระศาสนามู่เนี่ยแล้วลูกศิษย์ลกหาไม่ทำตามคำแนะนำสั่งสอน ของอุปชาอาจารย์ก็พ ứt นอกรีบนอกรอยออกไปมันก็เป็นบาปสิมันต้องคิดให้มันเห็นเนะี่ยไม่ว่าผู้จะอยู่คลองเรือนหรือว่าอยู่คลองวัดก็ตามมันต้องมีระเบียบที่จะต้องปฏิบททัติตามทั้งนั้นแหละแต่ระเบียบบางอย่างนะจะมันก็ต้องพิดแผกกันไปบ้างแหละเพราะว่าตั้งแต่เพศก็ยังต่างกันนะ เพศครืหัดมันก็นุ่งดำห่มดำหลายสีด้วยสีขาวก็มีสีดำก็มีสีแดงก็มีเหมือนั่นเกือบจะมีทุกสีนั่นนี่ยคนทุกวันนี้นี่เป็นนักบวชนี่นุ่งห่มสีเดียวกันเรียกว่าเป็นเป็นผ้าโยมด้วยน้ำฝาดมีสีเหลืองสีคล้ำ อันนี้พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้แสดงว่าข้าพิสุสงสามเณร น, นี่ต้องเป็นผู้ที่พยายามฝึกขนอบรมจิตของตนให้ตรงไปต่อพระนิพพานโดยตรงเลยไม่วกเวียนไม่อ้อมค้อมเรียกว่าพยายามฝึกขัด จเจริญสรรมะวิปัสนามุ่งตรงต่อพระนิพพานไปเลยสำหรับครือหัดผู้คองเรือนนั่นมันย่อมมีกิจกังวลห่วงใยสารพัดมันจะปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระนิพพานไปยังไม่ได้ก็ต้องบำเพ็ญกุศลกรรมมาไวาจอนไป อาศัยความเลื่อมใสอินดีในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นเหตุเครื่องจูงใจให้ได้เข้าวัดได้ทำบุญให้ทานได้กราบได้ไหว้เป็นเหตุให้ได้ถททททวายบังสกุลทอดกระถินทอดผ้าป่ า, าสร้างเสนาสนะไว้ให้เป็นทานในพุทธศาสนา อันมนี้ที่คารพหัดผู้ครองเรือนกระทำความดีเหล่านี้ท่านเรียก ว, ว่ากุศลกา ม, มาวจรหมายเพราะว่ากุศลมันแทรกอยู่ด้วยกามคุณปารกรลปกเสียงกลิ่นลดเป็นอารมณ์จึงทำบุญกุศลได้อย่างนี้แหละเมื่อเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ปฏิบัติดี น่าเลื่อมใสนับถือก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นเหตุใ เ, เข้าใกล้พระภิกษุสองสามเณร น, นั้นคุ้นเคยสนิทสนมกันไม่ใช่สนิทสนมกันด้วยอำนาจของกิเลสราคะตัณหาเรียกว่าสนิทสนมโดยฐานที่มองเห็นว่าพระสงฆ์สามเณร น, นั้นเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม น่าคบหาสมาคมอันนี้แหละเป็นเป็นเหตุจูงใจให้ทายกทายิกาได้บริจาคทานการกุศลธนุบำลุงวัตรวาศาสนาไปเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมเป็นเหตุให้ได้ปฏิบัติตามระเบียบของอุบาสกอุบาสิกาก็อาศัยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงค์นี่ เป็นกําลังสําคัญแม่พี่ผู้เป็นพระสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันเหตุที่ก่อนจะมาเป็นพระสงฆ์สามเณรก็เป็นคารืหัดก่อนแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์พอเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กก็เห็นแล้วเห็นพระสงฆ์สามเณร นุ่งเหลืองหมเหลืองบินธบาตพ่อแม่ก็แนะ น, นำให้ยกมือไหว้ให้กราบนู่นก็ได้พากันกราบกันไหว้พระสงฆ์สมเด็มาใส่เล็กแต่น้อยนู่นเพราะฉะนั้นนิสัยมันถึงติดมาเมื่อเจริญไว้ใหญ่โตมาก็ เป็นเหตุให้ได้เคารพนบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อติดนิดสัยมาตั้งแต่มารดาบิดานุ่นฝึกขัดจนถึงกับว่าได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ก็พราะเหตุว่ามันได้ฝึกฝนตนมาได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ เป็นปัจจัยดนบันดาลให้เกิดศรัทธามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนานี้บวชมาแล้วก็ต้องได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่ท่านเลวตไตรสิกขาหรือปฏิบัติทุดงขวัต สิบสามข้อข้อใดข้อหนึ่งหรือสองข้อตามเท่าที่จะเพึ่งมีความสามารถปฏิบัติตามได้เช่นอย่างว่าฉันหนเดียวอย่างนี้ฉันอยู่ในที่นั่งอันเดียวเมื่อลุกจากที่นั่งนั้นนี้ไปแล้วไม่ฉันอะไรนอกจากน้ำหรือหยกยาแก้โรคภัยเท่านั้น มีท่านเดียวว่าถือทุดองข้อวัดสำหรับพระภิกษุสามเณรอย่างเช่นสำนักอยู่ที่วัดป่าส่วนหลายนั่นเพื่อนถือทุดองข้อนี้แหละฉันหนเดียวเป็นวัดฉันอยู่ในอาสนะเดียวนั่งฉันอยู่ในอาสนะอันเดียวนี้มีอะไรมีอะไรก็ เอามารวมๆกันฉันอยู่ในที่เดียวนี้พอเสร็จจากที่นี้ลุกจากที่นี้ไปแล้วไม่สะสมอะไรไว้อาหารต่างๆแต่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าทุดงขวัตต้องต้องให้เรียนรู้ผู้บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุสามเณรนะทุดงขวัตนี่เป็นสันเลขะปฏิบัต คือเป็นเครื่องขาดเกลานิสัยใจคออันอยากโลนต่างๆให้เป็นคนมีนิสัยละเอียดละ อ, อละมุนละไมไม่เป็นคนโลเลเราเรามีเพศต่างจากคลรือหัดแล้วนะต้องนึกดูให้ดีอย่าไปลืมตัวบางคนอาจจะนึก ลืมตัวนึกว่าตนเป็นคฤหัสน์อยู่แล้วไปประพฤติ อ, อย่างคฤหาสน์เนี่ยมันลืมมันลืมตัวเกินไปมันขาดสติสัมปชัญญะมันลมเลืนเลื่อประมาทบางคนอาจรู้ตัวอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันมันประมาทมันขืนทำล่วงระเบียบแบบแผนอันดีงามแม้คฤหัสน์ก็เหมือนกัน บางคนเมื่อเกิดศรัทธาขึ้นทีแรกคำมั่นคำม่นทำบุญกุศลเข้าวัดเข้าวาแสดงความชื่นชมยินดีในพระภิกษุสามเณรไฟไฟเมื่อเกิดความประมาทขึ้นมาแล้วถอยหลังเข้าคลองไม่ใกล้วัดว า, ารามไม่เอื้อเฟื้อต่อวัดวารศาสนา ทำเป็นคนป่าคนเทือนไปอย่างนี้ก็มีนี่หละจิตใจของอุตรชนน่ะมันไม่แน่นอนเลยอ่ะมันกรอบกรอกอเหตุที่มันจะมั่นคงได้มันจะสม่เสมอได้ก็โดยอาศัยศรัทธาความเชื่อนี่แหละเชื่อว่า เมื่อเราปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามนี้แล้วจะ้นจากกิเลสปาประธรรมไปได้หรือว่ากิเลสปาปราธรรมนี่จกเบาบางออกไปจากจิตใจของตนไม่ทั้งหมดก็เรียกว่าเบาออกไปมากยังเหลืออยู่น้อยหมายเขาว่าอย่างนั้นเตุนั้นทูดงขววัดต่างๆนี้ พระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าเป็นสันเลขาปฏิบัติสันเลขาธรรมดังนั้นไม่ว่าคารืหัดไว้ว่านักบวชก็ข อ, ขอให้พึ่งสังวรในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไม่ควรเลินเลอ่อไม่ควรตีตนตายก่อนคขว่าเรานี้ไม่มีความสามารถ ที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งที่ตนมีความสามารถปฏิบัติตามได้อยู่แต่มันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทางหากที่ว่าตนไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้นั่นน่ะนั่นน่ะมันอยู่ที่ใจนั่นเองใจไม่สู้ใจท้อถอยมันก็ทำไม่ได้ละไม่ว่าการงานอะไรเหมือนกันหมด มันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจไม่สู้เราทำไม่ได้เลยคนบางคนมันจึงว่าเป็นคนยากคนจนคนแค้นพึ่งตัวเองก็ไม่ได้หาเช่ากินค่ำไปอย่างนั้นเฉยๆอันจะมีปัญญาสะสมเงินทองเข้าของไว้ เผื่อไปในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าต่อไปนั่นไม่มีปัญญาเพราะอะไรแล้วก็เพราะใจนี่แหละมันไม่สู้ทําไมมันยึงไม่สู้ไม่สู้เพราะมันไม่ฝึกทําไมมันยึงไม่ยอมฝึกเพราะมันไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในครูในอาจารย์หมายความว่า ไม่ได้นับถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์คนผู้นั้นน่ะอยู่ตามยถากรรมทุงตนไปตนไม่รู้ไม่ฉลาก็ยอมยอมว่าตนไม่รู้ก็อยู่กับความไม่รู้ไปอย่างนั้นแหละไม่ยอมไปศึกษาหารือกับใครไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามแต่อย่างใดเหตุฉะนั้นคนผู้นั้นจึงได้ ตกต่ำลงไปไม่มีปัญญาทำความเจริญให้แก่ตนได้นี่ลองสังเกตดูสิมีอยู่ถมไปไม่ใช่เหรือผลในโลกอันเนี้ยพระพุเทธเจ้าสอนให้มีโยนิโสมนสีการนะ่ะให้มันตรีตองพิจารณาเหตุผลนั่นนั้นนะที่มันเกิดมาขึ้นเฉพาะหน้า ที่มันปรากฏเฉพาะหน้าไงอาวเราไปเห็นคนร่ำรวยคนมั่งมีต่างๆไว้ในเมืองในนาเขาอยู่ตึกสองชั้นสามชั้นเจ็ดชั้นสิบชั้นนั่นก็มีันแล้วทำไมเขายังเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นไปสังเกตดูสิเขาจะไปเกียดข้านที่ไหนอะ่ะเขาทำการทำงาน ค้าขายต้อนรับลูกค้าโดยอัธยาศัยไมยตรีอันดีเพราะว่าเขาก็ไม่โกรธเขาก็หาหนทางพูดดีต่อชี้แจงเหตุผลอะไรตัอะไรให้ลูกค้าฟังเมื่อลูกค้ามันได้ฟังเหตุผลของผู้พอค้าแล้วอย่างนี้มันก็ยอมซื้อสินค้านั่นถ้าหากว่าเจ้าของร้านใดเนี่ย ใจคอหลอดแหล่เหลวไหลโกรธง่ายพอลูกค้าเขาติโน้นตีนี่บ้างทำหน้าบึ้งเลยไม่พอใจแล้วทั้งพูดกระทบกระทั่งลูกค้าเข้าไปอย่างนี้เขาก็ไม่ซื้อแล้วเขาเดินหนีอพอค้าแม่ค้าคนนั้นก็ไม่ค่อยได้ขายของแล้ว <c oughs> อันนี้ลองสังเกต ด, ดูสิ โลกอันนี้มันมีระเบียบอย่างนี้แหละแต่คนปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันหนักไม่รู้จักระเบียบพอมาได้ฟังคำสอนของพระเจ้าผู้ศัตรูแจ้งแทงตลอดสิจึงได้รู้จักระเบียบอันดีงามคนมีวาสนาคนมีปัญญานนะ พอได้ฟังระเบียบอันดีงามแล้วก็ยินดีน้อมรับเอาไปปฏิบัติตามเลยไม่เคียงงอนไม่อ้างโ น, น้นอ้างนี้อะไรเลยยินดีปฏิบัติตามร้อยเอร์เซนเลยตายเป็นตายถวายชีวิตบูชาพ่อปฏิบัติเลยผู้เช่นนั้นเลยจึงเป็นคนที่มีสติมีปัญญาดีเฉลียวฉลาด พูดฉลาดจ้าฉลาดทำกลางงานวันนี้ฉลาดพูดดีลูกค้ามันก็นับถือเอ๊ล้านนั้นพูดดีเหลือเกินนะเมื่อเกิดต้องการสิ่งของอะไรมานะล่ะคงไปร้านนั้นเลยเพราะเขาพูดดีแล้วเขาก็ไม่โกรธด้วย เขายิ้มแย้แมแจ่มใสดีเนี่ยพ่อค้านั้นร้านนั้นจึงเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองมากค้นมีกำไรดีทำการทำงานค้าขายไม่ว่าแต่เป็นพ่อค้าน่ะแม่เป็นชาวนาชาวสวนกว็ดีเป็นข้าราชาการเป็นช่างก่อสร้างอะไรเหมือนกันหมดเลย ต้องมีใจคอหนักแน่นต้องเป็นคนไม่โกรธไม่ฉุนชิวีวมีใจหนักแน่นไม่อ่อนแอทอดแท้ต่อหน้าที่การงานมีปฏิสันถาคารวาตารู้จักต้อนรับขับสู้แขกคนไปมาหาสู่ใช้คำพูดมีเหตุมีผลอ่อนโยนทำให้แขกที่ คบหาสมาคมนั่นเกิดความพอใจในกิริยามารยาทในคําพูดคําจาสามารถเป็นมิตรเป็นสาหายเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปได้ติดต่อการงานซึ่งกันเลยกันได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้นี่แหละความเจริญของโลกมันจะเจริญไปได้ก็เพราะมีคุณธรรมเป็นเครื่องค้าจุนอุดห น, นุน ถ้าขาดคุณธรรมอันดีงามแล้วโลกนี้มันก็เจริญไปไม่ได้เหมือนกันหมู่มนุษย์เรานี่แหละคำว่าโลกนี่นะโลกหมายเอาหมู่มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้เองเนะี่ยถึงแม้ว่าคนบางพวกบางเหล่าเขาจะไม่นับถือพุทธศาสนานี่ก็าตามแต่ความประพฤติของเขานะ่ะ มันตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็จะเรินรุ่งเรืองไปได้เหมือนกันเนอืยเป็นต้นว่าเริ่มตั้งแต่ความเคารพนอบน้อมต่อกันนี่แหละเป็นต้นไปเพราะคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะในหมู่ในคณะหนึ่งมันก็ต้องมีผู้หัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าหมูนั้นต้องเฉลียวฉลาด ต้องทำความดีให้หมูคณะได้เห็นต้องเป็นผู้ยอมเสียสละไม่เห็นแก่ตัวหมูคณะเห็นผู้หัวหน้าทำดีเป็นนักเสียสละลงไปเพื่อแพ่แกหมูแก่คณะได้หมูคณะเห็นเข้าก็เลื่อมใสก็ทำตามกัน คนหมู่นั้นคณะนั้นก็จเจริญไปด้วยลาบธธยศสนเิริญในความสุขเหตุนั้นน่ะเขาจึงว่าสมาคมพ่อค้าสมาคมชาวนาสมาคมข้าราชการสมาคมพวกช่างการช่า ง, งต่างๆสมาคมอะไรท่ออะไรจีปาถาเลย <c oughs> <c oughs> เมื่อวันดีคืนดีเขาก็นัดกันมาประชมุมปรึกษาหารือเป็นพ่อค้าก็านัดชุมนุมพ่อค้าเป็นชาวนาชาวสวนก็นัดชุมนุมชาวนาชาวสวนทำอย่างไรการทำนาถึงจะเจริญไปได้ทำอย่างไรการทำสวนจึงจะเจริญงอกงามเท่าที่ควรแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันที่รู้สองน้องรู้หนึ่ง ก็เมื่อประชุมกันอย่างนั้นมันก็มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาแต่ก่อนก็ได้รู้ทออ่ายทอดความรู้ความคิดความเห็นให้ซึ่งกันและกันงั้นโมนี้นะเราต้องเรียนรู้สิต้องสังเกตสิความสุขความเจริญในขั้นใดๆมันจะมีได้นะมันมีระเบียบแบบแผนน f ะอืม ต้องเข้าใจค <c oughs> ู่ครองเรือนอย่างนี้พ่อบ้านแม่บ้านนะ่ะว่าเป็นหัวใจของเรือนสำคัญมากเป็นหัวจักของเรือนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านต้องทำตัวให้ดีทำตัวให้ดีเป็นตัวอย่างของลูกของหลานของญาติพี่น้อง <c oughs> ต้องไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเพลง เจ้าชู้ไม่บาเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราไม่บาเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพนันไม่ไปเสแวงหาคบหาสมาคมกับคนพานคนชั่วเป็นมิตรเป็นสหายกงกันข้ามต้องเป็นผู้ซื้อศรัทธาสันโดษ ย, ยินดีด้วย สามีด้วยภรรยาของตนโดยเฉพาะในทางประเวณีนี่จำกัดลงตรงนี้ความรักความใคร่นั่นอย่าให้มันเลยออกจากนี้ไปแล้วก็เป็นผู้เห็นโทษแห่งการดื่มสุราเมรัยเครื่องรองของเมาของเสพสิเทโทษต่างๆนี่มันพาให้ครอบครัวฉิกภายเสื่อมโทรมจริงๆ คนผู้ไดติดของเสพติดใช้โทษต่งางๆพวกนี้แล้วที่หายจริงๆมีอยู่ดาดื่นในโลกนี้ยคนผู้เจริญรุ่งเรืองต่งางๆเขาไม่ในบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราเมรัยเครื่องเสพติดต่งางๆคัญชายาฝิ่นเขาไม่สร้างเสพนาะอะเขาจึงได้สะสมเงินทองเข้าของไว้ได้มากๆานะคนไปติด ของเสพติดต่างๆเหล่านี้แล้วมันสะสมเงินทองไว้ไม่ได้เลยอย่างนั้นหู้เจ้าจึงจัดว่ามันเป็นปากทางความเสื่อมความผิดหัยอต้องบําเพ็ญตนเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทเลยจึงเว้นจากของเสพติดได้โทษเหล่านี้ได้มี ส, สมติธรรมะชนะเตือนตนเสมอเสมอ เตือนตนว่าเมื่อตนหากไปซ่องเศพของเสพสิเรนี้เข้าไปแล้วตนจะทิปหายเสือมจากความสุขทั้งทางโลกทางธรรมทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความสุขในทางโลกเงินทองเข้าของอะไรก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอะไรก็สร้างให้ใหญ่โตแข็งแรงก็ไม่ได้ไม่มีเงินเอาแต่เงินไปซื้อของเสพสิเทศโทษบริโภค เอ้าในทางทำไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญให้ทานรักษาสินฟังธรรมอะไรเลยคนต้องเสพของเสพสิได้โทษตท่างๆอันนี้เป็นคนใจมัวหมองเป็นคนไม่มีสติปัญญาทอนกำลังปัญญาคนว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้โทษการดื่มสุราเนีอะข้อที่หกทอนกำลังปัญญา เมื่อไม่มีปัญญาแค่อย่างเดียวแล้วก็ทําอะไรให้เจริญไม่ได้เลยใครก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้แหละดังนั้นนะ่ะจึงเป็นผู้สมควรเป็นผู้ไม่ประมาทเกิดมาในโลกนี้แล้วนะควรทําตามคําสอนของพระพุเทธเจ้าอย่าไปทําตามอํานาจของตันหา <c oughs> แล้วก็เป็นผู้ที่ เห็นโทษแห่งการเล่นการพนันข้อการพนันนี่เอาเงินแรกเงินต่างหากไม่เกิดดอกออกผลอะไรเลยมีแต่จะทิพายไปเรื่อยๆถ้าว่าคนในประเทศหนึ่งๆเนี่ยชอบเล่นแต่การพนันกันสัส่วนหลายอย่างนี้นี่ประเทศนั้นย่อมล่มจมแน่นอนทีเดียว เพราะว่าไม่มีใครทําการงานไม่มีใครทํานาเมื่อไม่ทํานาก็ไม่ได้เข้ามาบริโภคไม่ได้เข้ามาขายสู่กันกินไม่ทําสวนก็ไม่มีผลไม้มาขายให้กันกินและไม่มีผลไม้มากินในระหว่างครอบครัวเมื่อไม่มีการทําเป็นผู้ฝึกขัดวิชาการสร้างต่างอย่างเนี้ยก็ไม่มีการก่อสร้างอาคารบ้านช่อง อันมั่นคงถาวร อ, อยู่ได้เลยเพราะไม่มีช่างนี้เป็นข้าราชการงานเมืองชอบดื่มเหล้าเมาสุราจนว่าเ ส, สียสติสตังไปก็ทำราชการงานเมืองให้เสียหายโมนี้นะมันมมแจะทางเตอมทางนั้นเลยการดื่มเหล้าเมาสุรามูนี้ เมื่อพิจารณาเห็นโทษของมันอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้ผูนั้นนะอะไม่ใช่ว่าไปก้มหน้าดื่มเล่าไปอย่างนั้นไม่ได้คิดเห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันเลยเอรียกว่าก้มหน้ากินเหมือนกับหมีกินพึ่งโบราณท่านว่าไว้หมีกินพึ่งก้มหน้ากินไปนะี่ยคนมาเจอเข้านี่เออ เขาก็ทําลายเอาซะอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่บุคคลเราจะละความชั่วแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้นี่มันก็ต้องอาศัยปัญญาไ่ควรเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่าง ม, มันมีเหตุผลอยู่ในตัวหมดนะชั่วมันก็มีเหตุผลอยู่ในตัวมันดีก็มีเหตุผลอยู่ในตัวมันหมด แล้วทำอะไรอยู่จึงไม่คิดกันนะ <c oughs> ละบุญกุศลตกแต่งอวัยวะร่างกายนี่ให้สมบูรณ์แล้วนี้จิตใจก็ดีอยู่แล้วนี่แล้วทำไมจึงไม่ใช่ปัญญาไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไม่คิดค้นหาเหตุทาผลเรื่องดีๆชั่วๆเหล่านี้เมื่อผูใ้ใดพี่นาเห็น เหตุเห็นผลแห่งความชั่วว่ามันไม่ดีแล้วอย่างนี้มันก็ละเว้นเลยมันก็ละได้มันก็ไม่ทำแล้วบางคนไปคอยให้แต่พวกอื่นบังคับบัญชาจิงค่อยละความชั่วได้ทาความดีได้ถ้าหากว่าเพื่อนไม่บังคับบัญชาอยู่แล้วละความชั่วก็ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นสวะ เป็นก็เหมือนส ว, วะคุณ <c oughs> อย่าบำเพ็ญตนเป็นอย่างนั้นสิคนเราอะทะเลคอยแต่ผู้อื่นควบคุมบังคับบัญชาอยู่ฝ่ายเดียวตนเองไม่ช่วยตัวเองไม่ฝึกตัวเองตัวเองไม่บังคับตัวเองอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเกิดเป็นคนมาทำไมล่ะ เมื่อเกิดเป็นคนมาแล้วนะมันต้องฝึกตนให้ดีส um ินั่นนี่คนอื่นเขายังทำความดีได้ทำความเจริญให้เป็นตัวอย่างของคนอื่นในมอยูถมไปในโลกอันเนี้ยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านน้นแหละเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายลองลงมาก็พระสาวก องค์อรหันหรือว่าพระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดาบันหรือว่าสาวกที่ยังเป็นกัลยาณนชนท่านกำลังภาคเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปมูนี้นะเป็นตัวอย่างอันดีให้เราได้ศึกษาได้สังเกตการนะและทยกทายิกา ผู้ปติญญาณตนถึงพระไกลสรานาคมเป็นที่พึ่งรักษาศีลหา้าศีลอโวสตรอไม่ทำความชั่วโดยกายวาจาใจมีพอให้ได้เห็นได้ดูอยู่ทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรประมาทควรดูตัวอย่างแห่งผู้อื่นที่เพื่อนทำดีให้เห็นนะไม่ควรที่จะรับหูรับตา ทำอะไรไปตามชอบใจของตนโดยส่วนเดียวตนมีความเห็นผิดเห็นชั่วก็สำคัญว่าตนดีอยู่ล่ำไปก็มีนะคนเราไม่มองดูคนอื่นเขาเลยอะ่ะตนเห็นอย่างไรก็ทำไปพูดไปอย่างนั้นนั่นแหละมันจะจมดิ่งลงไปสู่อาเวจีมหานรกนู่นผู้ใดเป็นอย่างนั้นน่ะ ท่านเรียกว่านิยะตะนิชฉาทิพยิเป็นผู้มีความเห็นผิดเป็นนิดไปเลยล่าความเห็นผิดน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ผู้นั้นน่ะเป็นผู้เที่ยงที่จะต้องไปสู่อเวจีมหารนรกแน่นอนในความเห็นเช่นนั้นน่ะ เราะนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจคำสอนของพระเสเจ้ากงกันข้ามสัมมาทิฏฐิ 4. ผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบตามทํานองครองธรรมก็เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองเย่ยเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าผลแห่งความดีนั่นอำนวยความสุขให้แก่ผู้กระทำจริงเห็นว่าผลแห่ง ความชั่วที่บุคคลนั้นกระทำนั้นอำนวยผลให้เป็นทุกแน่นอนเลยเห็นอย่างนี้นะจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นชอบตามธรรมนองครองธรรมพระพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งอย่างนี้หละตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นน่นนะพระองค์ชึงละชั่วทำดีเรื่อยมาสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้ามาโดยลำดับถ้าพระองค์เห็นผิด เห็นว่าทําบาปไม่ได้บาปแล้วพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวก็ไปทําบาปบ้างทาบุญบ้างบางทีก็ทําบาปมากกว่าบุญเข้าไปบาปมันก็นําไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกจนไม่ไม่ได้พ้นจากนรกมาทําบุญกุศลอะไรอ่ะแล้วจะไหนดับบุญจึงจะเต็มจะได้เป็นพุทธเจ้าล่ะ เุที่พระ อ, องค์ได้เป็นบุพเทเจ้าก็เพราะว่านั่นแหละพระ อ, องค์ละความชั่วเลยสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษศึกษารู้แล้วไม่ทำไม่พูดต่อไปสิ่งใดที่เป็นทางความสุขความเจริญเน่ยพระ อ, องค์มั่นใจทำลงไปโดยความไม่ประมาทแม่จะตายด้วยการกระทำความดีก็ยอมตาย พระ อ, องค์ไม่เสียดายชีวิตเลยเถะขอให้ได้ทําความดีกันแล้วกันนะดังนั้นนะพระบารมีของพระ อ, องค์ก็จึงได้เต็มบริบูรณ์นะผลสุดท้ายมานะจึงได้ตรัสรู้เป็นรูนนนะ้เทเจ้านัะไอเราเป็นสาวกสาวิกาเป็นบริษัทของพระ อ, องค์นะมันก็ต้องดําเนินตามแนวทางของพระ อ, องค์เนะี่ยก็จึงได้ชื่อว่าเป็นบริษัทบริวารของพระ อ, องค์นะไม่เช่นนั้นแล้ว จะมาปฏิญญาจนถึงพระพุทธเจ้าเขรําประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสมัยแล้วไม่ปฏิญญาดีกว่าปฏิญญาแล้วไม่ทําตามนี่เป็นบาปเป่าๆความเห็นถูกเห็นชอบอยังถูงขึ้นไปก็ได้แค่เห็นทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมักมีองแปลนี่เห็นถูกแพเป็นทางคนทุกข์โดยตรงเมื่อบุคคลเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าการทำบาปทำกรรมอันชั่วช้าลามกมีฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเมื่อเป็นเช่นนีู้นั้นกลละเลยไม่ฆ่าสัตว์ เป็นต้นต่อไปอีกแล้วตลอดชีวิตุเมื่อเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายวินทุกข์ก็ไม่ยินดีพอใจอยากจะเกิดอีกเมื่อไม่อยากเกิดอีกทำยังไงเอากราตันหาที่ละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขาวไวเรื่อยๆจเจริญสินสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในใจเรา ปัญญากะสอนใจให้ละความยึดความถือในขันหา น, นี่อย่าไปถือว่าเป็นของตัวของตนให้ถือเพียงแค่ว่าพอตนได้มาอาศัยทำความดีผาาเพียนพยายามละกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้เท่านั้นไม่ใช่จะมาโมเมเอ า, าเป็นของตัวของตนถึงจะมาถือเอ า, าเป็นของตนก็ไม่ไม่เอาติดตัวไปไม่ได้หรอก เพราะมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครนี่ใช้ปัญญาสอนจิตไทลละอุปทานขันธ์ทั้งห้านี้ได้ก็เป็นอั้นว่าดับทุกข์ทางใจได้ดังแสดงมา